45. พลังงานจะพัฒนาจากอุตุนิยามเป็นพีชนิยามก่อนเริ่มต้นที่ธาตุนั้นโดยเอาที่พลังงานเป็นสำคัญว่าพลังงานของธาตุนั้นได้พัฒนามีคุณสมบัติในนิชมีความเจริญเข้าขั้นเซลล์หรือยัง ถ้าเข้าขั้นเซลล์ได้จริงก็เริ่มนับเป็นชีวะนิชหมายถึงช่องว่างหรืออากาศสเปซซึ่งเป็นสถานที่ก็ดีที่เริ่มต้นให้ชีวะเกิดเรียกว่าคัพะปะวงเล็บกุดชีหรือโปรโตพลาสซึมที่กำลังจะมีชีวะเล็กละเอียดยิ่งของธาตุเริ่มเป็นตัวของชีวะ เรียกว่าการละก็ดีหรือ primary cell เซลล์ปฐมภูมิอันเป็นเชื้อหรือหน่วยชีวิตแรกที่พลังงานพัฒนาตัวเองได้สัดส่วนเหมาะสมแล้วจนถึงขั้นความเป็นชีวะจะเริ่มขึ้นถ้าเชื้อแรกนี้ไม่ติดอยู่ในคันหรือไม่ดำเนินต่อไป ไม่มีพลังงานของไพ i เมอริเซลสืบต่อสัน ต, ติก็เป็นอันชีวะก็หมดสิ้นไปไม่มีเชื้อชีวิตินซีก่อตัวขึ้นต่อไปได้อีกหรือเชื้อชีวิตตินซีก็จะขาดภาวะของชีวะลงไปตรงนั้นนะบัดนั้นไม่ว่าจะเป็นชีวะระดับ พี่ชนิยามหรือจิตนิยามก็จะมีภาวะของาธาตุชีวะที่จะสืบต่อสันตติสืบทอดการเกิดสันตติในยะเยี่ยงเดียวกันเป็นแต่ว่าชีวะขององค์รวมของมันละเอียดซับซ้อนมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปอีกลากหลายสภาพ ดังนั้นเมื่อเชื้อหรือหน่วยชีวิตหน่วยที่หนึ่งตั้งอยู่ก่อนแล้วนี้ขาดลงจึงไม่มีเชื้อหน่วยที่สอง secondary cell สืบทอดต่อเชื้อออกไปอีกการก่อตัวขึ้นของเชื้อชีวะจึงไม่มีด้วยประการชนิษดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม10ข้อ60ว่า เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูกระอาโนนเธอพึ่งทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปดูกระอานนนก็วิญญาณจักไม่อย่างลงในท้องมารดา นามรูปจะก่อตัวขึ้นในท้องมันดาได้บ้างไหมวิญญาณคือท่ารู้ที่เกิดจากภาษาทะรูปหที่สัมผัสกับโคจรรูปหก็เกิดเป็นภาวะรูปสองนี่คือธรรมสองของรูปและนามทเวธรร ม, มาเป็นองค์ประกอบการอย่างถึงขั้นครบสัสดส่วน จึงจะเกิดพลังงานวิญญาณขึ้นมาได้ซึ่งเป็นพลังงานที่เกิดชีวะเริ่มแรกติดอยู่กับที่ก่อนยังอวจรหรือโคจรไปไหนด้วยพลังงานตนเองอิสระลอยตัวไม่ได้แต่เริ่มเป็นชีวะเริ่มต้นเป็นเซลล์ขั้นแรก จึงต้องเชื่อมต่อสืบสายโยงชีพอาศัยชีวิตอยู่กับผู้อื่นที่ให้เชื้อชีวิตปรทัตตูปาชีวียังตัดขาดแยกตนออกไปเป็นตนเองอย่างอิสระพึ่งตนเองเลี้ยงตนเองรอดยังไม่ได้ยังเป็นแค่อุปาธิเชือ้อที่จะต่อชีวานุปาธิต่อไป โดยการอาศัยเกาะติดอยู่กับชีวิตผู้อื่นให้สิ่งที่จะใช้อาศัยแก่ตนได้หากขาดจากการได้อาศัยผู้อื่นให้ชีวิตก็สูญชีวิตไปเลยหรือถ้ามีเชื้อชีวิตในตนบ้างแล้วมากกว่าสองขึ้นไปและหากสัน ต, ติตัดขาดจะด้วยกรณีใดก็ตาม เชื้อชีวิตนี้ก็ชื่อว่าชรตานั่นคือเชื้อนั้นก็มีแต่จะเสือเส่อมไปเสื่อมไปจนที่สุดศู์สิ้นเลยถ้าแม้นไม่มีเหตุปัใจจัยใดมาเสริมเติมให้กลับฟื้นก่อเกิดขึ้นต่อไปอีก